เรื่มสเสบียงไว้เลี้ยงตัวตอนที่151โดยดังตรินถามอยากทราบว่าในทางธรรมการไปเที่ยวผู้หญิงได้ชื่อว่าทำกรรมแบบใดกันแน่ระหว่างช่วยหญิงด้อยโอกาสให้มีรายได้กับซ้ำเติมผู้ด้อยโอกาสให้อยู่ในวงจรอุบาทเต็มตัว คำตอบโดยย่นย่อคือไม่ใช่ทั้งสองอย่างครับก่อนอื่นต้องย้ำความเข้าใจว่าถ้าพูดกันเรื่องกรรมวิบากแล้วเราจะเน้นที่เจตนาเป็นหลักนะครับใจเลรงอย่างไรกรรมก็อย่างนั้นการคุยกันเรื่องกรรมวิบากเนี่ยทางที่ดีให้ตัดเรื่องถูกเรื่องผิดออกไปก่อนเพราะความผิดความถูกถูกอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนและอาจไม่เกี่ยวกับความจริงทางจิตหรือกรรมวิบากเอาเลย อย่างเช่นในสายตาของนักสังคมสงเคราะห์การเที่ยวผู้หญิงเท่ากับเป็นการส่งเสริมให้เกิดวงจรค้ากามหรือร้ายกว่านั้นคือกลายเป็นอุสาหกรรมค้ามนุษย์ซึ่งทุจริตชนอาจใช้เล่ห์กลทุกวิถีทางหลอกล่อหรือกระทั่งฉุดคร่าสาวน้อยหน้าสวยๆมาขายตัวถ้าไม่มีความเต็มใจจ่า ย, จ า, ยจากเพศชายจำนวนมากใครเลยจะคิดเป็นพ่อค้าขายหญิงขึ้นมาได้ แต่นักสังคมสงเคราะห์อีกฝ่ายก็ตั้งคำถามว่าถ้าไม่ให้ขายตัวแล้วจะเอาอะไรกินกันตายผู้หญิงมากมายแบกภาระครอบครัวแม่ป่วยพ่อเมาน้องเรียนซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามสูตรสำเร็จชีวิตคนยากเมื่อเกิดเป็นลูกหญิงก็ต้องเอาตัวเข้าแลกตามมีตามเกิดบางท้องถิ่นแทบถือเป็นประเพณีขายตัวตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยซ้า ฉะนั้นการไปเที่ยวผู้หญิงก็น่าจะหมายถึงการช่วยผู้ด้อยโอกาสให้มีรายได้เจือจุนครอบครัวในทางอ้อมมุมมองของนักสังคมสงเคราะห์ทั้งสองฝ่ายต่างก็ถูกต้องพอๆกับที่ผิดพลาดได้ขอเพียงมองต่างมุมถูกกับผิดดินได้ตามเหตุผลของแต่ละมุมเสมอคราวนี้มาดูความจริงทางใจของชายเกือบร้อยทั้งร้อย เรื่องเริ่มต้นขึ้นจากความอยากได้ร่างหญิงมาบำบัดตัญหาชั่วคราวไม่ได้มีเจตนาทำร้ายเยี่ยงนางดาแล้วก็ไม่ได้มีความตั้งใจจะช่วยเหลือเกื้อกูลเยี่ยงนักบุญแต่ประการใดมันเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนฝ่ายหนึ่งได้มาฝ่ายหนึ่งเสียไปธรรมชาติกำหนดมาอย่างนั้นผู้ได้ต้องจ่ายผู้เสียสมควรรับค่าตอบแทน ไม่มีผู้ชายคนไหนตั้งต้นออกจากบ้านไปเสพนารีด้วยจุดประสงค์จะอุปถัมภ์หรือย่ำยีใครแต่อะไรที่ทำบ่อยนะครับในที่สุดเจตนาก็อาจแปรไปคนเราพอเที่ยวผู้หญิงแทบทุกคืนก็ต้องเริ่มรู้จักคนคอเดียวกันเริ่มรู้จักพนักงานเชียร์แขกหรือถ้าปาหน่อยก็อาจได้ร่วมโต๊ะเล่ากับเจ้าของกิจการในฐานะแขกผู้มีเกียรติจากนั้นอะไรๆก็เป็นไปได้ นับแต่คุยถึงผู้หญิงด้วยสายตาเล็งว่าผู้หญิงเป็นสินค้าพอจิตใจไปถึงตรงนั้นก็คุยเรื่องธุรกิจค้ากามด้วยความรู้สึกปกติเพราะปกติมากเข้าก็ไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกที่จะกระโจนเข้าร่วมขบวนการค้ากามนี่แหละเรียกว่าเที่ยวผู้หญิงจนกลายเป็นแมงดาโดยไม่รู้ตัวในทางตรงข้ามหากคุณขี้สงสารมนุษย์ หากไปใช้บริการบ่อยๆเจอตัวเลือกกลุ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็เป็นไปได้ที่กรรมจะเหวี่ยงไปเจอสาวน่าสงสารยิ้มหวานเอาใจเก่งหากเคยมีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมาคุณก็อาจเกิดความอยากช่วยเหลือส่งเสียเธอโดยไม่ได้หวังผลทางเพศอีกต่อไปนี่ก็คงต้องเรียกว่าเที่ยวผู้หญิงจนกลายเป็นนักบุญโดยไม่เจตนา สรุปว่าเรื่องกรรมนั้นไม่ผูกอยู่กับภาพลักษณ์หรือความเชื่อที่ตายตัวของใครครับเป็นเรื่องดิ้นได้เรื่อยๆตามเจตนาตามพื้นหน้าพื้นหลังของแต่ละคน